ธรรมบทแปลเรื่องสามเณรภาคที่8เรื่องที่286พระศาสดาประทับอยู่นะพระเชตวันทรงบรารพสามเณรสี่รูปตราระธรรมเทสนานี้ว่าอาวิรุธทางวิรุษเทสุอัตถันเทสุนิปุตังสาธาเนสุ อนาธานังตะมะหังปรูมิปรามหนังแปลว่าเราย่อมเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแขนในบุคคลผู้เครียดแขนผู้ดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาทยาในตนผู้ไม่ถือมัน่นในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพรามตอนนางพรามณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อย ได้ยินว่าพรหมณีคนหนึ่งจะแจ้งอุเทศพัดคือพัดที่ถวายไว้ประจำไว้สำหรับภิกษุสี่รูปบอกกับพรามผู้เป็นสามีว่าพรามท่านจงไปวัดเจาะจงพาพรามแก่มาสี่รูปพรามนั้นก็ไปสู่วัดแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายช่วยเลือกพรามให้ผมสี่รูปเถิด สามเณรผู้เป็นกีณาศพคือเป็นพระอรันจำนวนสีรูปอายุเจ็ดปีคือสังกิจสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากาสามเณรและเรวัะสามเณรได้ตกถึงพราามผู้นั้นนางพรามณีเรียมอาสนะอันมีค่ามากไว้ยืนรออยู่ครั้นเห็นสามเณร ก็โกรธบนพุ่มพำมเหมือนเกลือถูกโยนลงในเตาไฟแล้วกล่าวว่าท่านไปวัดพามาซึ่งเด็กสี่คนอายุปูนหลานของตนยังน้อยไปนางปราบณีจึงไม่ให้สามเณรเหล่านั้นนั่งบนอาสนะเหล่านั้นเธอได้ลาดตังเตี้ ย, ยให้นั่งโดยพูดกับสามเณรเหล่านั้นว่านั่งบนตังนี้ ได่ได้กล่าวกับพราม์ผู้เป็นสามีว่าพราม์ท่านไปเลือกพรามแ์แก่ๆมาไหมตอนอกราสาวกไม่รับพัดของพรหมณีพรามผู้เป็นสามีไปวัดพบพระสารีบุตรเทระเรียนว่านิมนเถิดท่านไปบ้านของกระผมแล้วจึงนำพระเทระมาพระเทระมาแล้ว เห็นสามเณรทั้งสีรูปนั้นจึงถามขึ้นว่าก็พราหมณ์เหล่านี้ได้พัดแล้วหรือยังเมื่อพราหมณ์เจ้าบ้านบอกว่ายังไม่ได้ทราบว่าเขาจัดพัดไว้สำหรับพราหมณ์สี่คนเท่านั้นท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเอาบาตของเราคืนมาแล้วรับเอาบาทแล้วก็จากไปฝ่ายนางพรหมณีถามว่าพราหมณ์รูปนั้น พูดว่าอย่างไรเมื่อปรามผู้เป็นสามีบอกว่าท่านบอกว่าปรามสี่รูปนั่งอยู่ตรงนั้นควรได้ก่อนจงเอาบาดของเราคืนมาแล้วก็รับบาดของตนไปแล้วนางปรามณีนั้นจึงพูดว่าพระเถระคือปรามนั่นคงไม่อยากฉันท่านจงรีบไปเลือกปรามคนเด่นมาใหมา่ปรามผู้เป็นสามี ไปพบพระมหาโมคคลานเตระจึงเรียนเหมือนครั้งก่อนนำดัานมาถึงพระมหาโมคคลานาเตระเห็นสามเณรแล้วก็พูดอย่างเดียวกันรับบาตรคืนแล้วจากไปลำดับนั้นนางปราโมณีจึงบอกกับปรามผู้เป็นสามีนั้นว่าปรามคือสมณาพวกนั้นคงไม่อยากฉันท่านจงไปโรงสวด ของพวกพราหมณ์นำพราหมณ์แก่มาคนหนึ่งฝ่ายสามนเณรทั้งหลายไม่ได้ฉันอะไรตั้งแต่เช้านั่งทนหิวอยู่ตอนเท้าสักกะปลอมตัวมาทรมานนางปราหมณีครั้งนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการเราร้อนพระเดชแห่งคุณของสามนเณรเท้าเธอทรงไคร์กรวนดู กขาทรงทราบว่าสามเณรนั่งหิวตั้งแต่เช้าทึงทรงดำริว่าควรที่เราจะไปในที่นั้นหล่านี้แล้วจึงแปลงกายเป็นพรามแกง่งอมด้วยความชราประทับนั่งอยู่บนที่นั่งชั้นเลิศของพวกปามในโรงสวดของปามปามผู้เป็นสามีนั้นพอเห็นเท้าสา ก, กะก็จึงคิดว่า คราวนี้ปราโมณีของเราคงพอใจนั่งนี้แล้วก็กล่าวว่าเชิญเถิดท่านไปที่บ้านกันก็ได้พาเท้าเธอไปที่บ้านนั่งปราหมณีพอเห็นเท้าสกปรผู้จำแรงกายมาแล้วเท่านั้นก็พอใจปูเครื่องลาดกลุ่มที่นั่งสองที่ทําไม่เป็นที่เดียวแล้วกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าเชิญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิดท้าสากกที่จำแรงกายมานั้นก็เสด็จเข้าไปในบ้านไหวาสามเณรทั้งสี่รูปด้วยเป็นจัางก้าประดิษฐ์แล้วประทับนั่งกัดสมาธิกับพื้นท้ายที่นั่งของสามเณรเหล่านั้นครั้นนั้นนางปรามณีเห็นเท้าสากะาร์ทำอย่างนั้นแล้วจึงพูดกับพร์ผู้เป็นสามีว่า พรามที่พามาใหม่นี้แย่แกคงพาคนบ้ามาเขาไหว้สามนเณรปูนหลานของตนอยู่ได้พรามผู้นี้ก็ใช้การไม่ได้แกจงพาออกไปสาวสะกะที่แปลงกายเป็นพรามนั้นเมื่อถูกจับที่คอบ้างที่มือบ้างที่รักแร้บ้างให้ลากออกไปก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นลำดั บ, บ, บนั้นนางปราบณี จึงกล่าวกับพรามผู้สามีนั้นว่ามาเถิดพรามแกจับมือข้างหนึ่งฉันจะจับมืออีกข้างหนึ่งทั้งสองคนจับมือสองข้างแล้วทุบที่หลังช่วยกันลากออกไปไว้นอกประตูบ้านฝ่ายเท้าสั ก, กยังคงประทับนั่งอยู่ณที่เดิมกวักพระหัตเรียกสองคนมาทั้งสองผัวเมียนั้นกลับเข้ามา เห็นเท้าสักกะประทับนั่งอยู่อย่างเดิมก็เปล่งเสียงร้องลั่นด้วยความกลัวในขณะนั้นเท้าสักกะจึงแสดงตนให้รู้ว่าเป็นเท้าสักกะต่อมาผัวเมียทั้งสองจึงได้ถวายอาหารแก่สามเณรเหล่านั้นชนทั้งห้าคนนั้นรับอาหารแล้วรูปหนึ่งทุลุ่มนทนช่อฟ้าไป รูปหนึ่งทะลุหลังคาหน้าบ้านไปรูปหนึ่งทะลุหลังคาหลังบ้านไปรูปหนึ่งดำดินไปฝ่ายเท้าสักกะก็เสด็จออกไปอีกทางหนึ่งคนทั้งห้าออกไปห้าทางด้วยประการชนีตอนพวกสามเณร เ, เล่าเรื่องที่ถูกทรมานก็แลตั้งแต่นั้นมาทราบว่าบ้านนั้น ได้ชื่อว่าบ้านห้าช่องเมื่อสามเณรกลับถึงวัดภิกษุทั้งหลายถามสามเณรว่าสามเณรเรื่องเป็นอย่างไรกันพวกสามเณรตอบว่าอย่าถามกระผมเลยครับตั้งแต่เวลาที่พรามณีเห็นพวกกระผมพรามณีก็เกิดฉุนเฉียวไม่ให้พวกกระผมนั่งบนอาสนะที่จัดไว้บอกให้รีบนาพราหมณ์แกมา อุปชายย์ของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแล้วกล่าวว่าควรให้แก่พรามผู้นั่งอยู่เหล่านั้นได้อาหารก่อนขอบาทคืนแล้วก็จากไปเมื่อนางพรามณีกล่าวว่าท่านจงนำพรามแก่คนอื่นมาพรามผู้เป็นสามีก็นำพระมหามโมคคลณนะเถระมาอีกท่านเห็นพวกกระผมแล้วก็กล่าวเช่นเดียวกันแล้วก็จากไป ที่นั้นนางพรามณีก็ยังกล่าวกับพรามผู้เป็นสามีว่าพรามคือสมณะเหล่านั้นคงไม่อยากฉันท่านจงไปนำพรามแก่จากโรงสวดของพรามมาคนหนึ่งแล้วก็ให้พรามนั้นไปพรามผู้เป็นสามีนั้นไปที่โรงสวดนั้นแล้วนำเท้าสักกะผู้แปลงกายเป็นพรามแก่มาในเวลาเท้าสักกะมาถึง ผัวเมียทั้งสองจึงได้ถวายอาหารแก่พวกกระผมพิกษุทั้งหลายก็เขาทําอย่างนั้นพวกเธอไม่โกรธหรือสามนเณรไม่โกรธก็รับภิกษุทั้งหลายฟังคานั้นแล้วจึงกราบตูลแก่พระศาสดาว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญสามนเณรเหล่านี้กล่าวว่าพวกกระผมไม่โกรธพวกเธอพูดไม่จริงพวกเธอพยากรอราตผล พระราสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระกีนาศพทั้งหลายย่อมไม่เครียดแค้นในชนผู้เครียดแค้นเลยเราจึงได้ตรัสประคถานี้ว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแค้นในบุคลบบคลผู้เครียดแค้นเราเรียกบุคคลผู้สงบในบุคคลผู้มีอาดยานในตนเราเรียกบุคคลผู้ไม่ถือมั่น ในบุคคลผู้ถือมัน่นเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพรามบาลีว่าอาวิรุตทังวิรุตเทสุอัตตะทันเทสุนิปุตังสาธาเนสุอนาธานังตามังพารุมิปรามังในมรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอาวิรุตตังแปลว่าผู้ไม่เกียดแคนเป็นต้น หมายความว่ า, วาเราย่อมเรียกบุคคล น, นั้นคือเห็นป่านนั้นผู้ชื่อว่าอาวิรุธงังคือผู้ไม่เครียดแขนเพราะไม่ผูกอาคาตในพวกโลกียมหาชนผู้เครียดแขนด้วยแรงอาคาดผู้ที่ชื่อว่านิพุตังคือผู้สงบคือผู้ปร่งอาจยาในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่า าญาจในตนเพราะถึงแม้จะไม่มีท่อนไม้หรือสาตราในมือก็ไม่เว้นที่จะโต้ตอบคนอื่นผู้ที่ชื่อว่าอาณาธาหนังคือไม่ถือมั่นเพราะความไม่มีการยึดถือเช่นนั้นในชนนั้นหลายผู้ชื่อว่าสาธาเนสุคือไม่มีความถือมั่นเพราะยึดถือขันห่าว่าเราว่าของเรา ดังนี้ว่าเป็นพรามในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นนั่นนี้แหละเรื่องสามเณร